และนั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลา um. วลลาางถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะมีเสียงบอกมาว่าการเกลียดชังของอัลลอ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าการเกลียดชังของพวกเจ้า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 นั่นก็เพราะว่าแท้จริงเมื่ออัลลอฮ์องเดียวถูกกล่าวขึ้นพวกเจ้าก็ปฏิเสธศรัทธาและเมื่อหากมีการตั้งพาคีกับพระองค์พวกเจ้าก็จะศรัทธาดังนั้นการตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิของอัลลอ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ียุรมมออาิิินนลสก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 ดังนั้นการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจเกเกเรชังกอาตอรรออา ir, ผู้ทรงตำแหน่งอันสูงเจ้าแห่งบัลลัง ทรงส่งองค์การลงมาตามพระบัญชาของปรงุงแก่ผู้ที่ปรงทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพรงุงเพื่อเตือนให้รำลึกถึงวันแห่งการพบป่ากกันนั่นก็คือวันกิยามาเย้มหัมบ ار ิ ز ู ن ล่ายักษาอัลลอาฮิมินหุมใช้ลิมนิลมลคุลยวมลิลล้าฮิลวาฮิลกะห วันที่พวกเขาจะถูกปรากฏออกมาไม่มีสิ่งใดจากพวกเขาจะซ่อนเร้นไปจากอัลลอฮ์อำนาจในวันนี้เป็นของผู้ใดเล่าแน่นอนมันเป็นของอัลลอ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด วันนี้ทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้กระทำไว้ไม่มีการอาธรรมในวันนี้แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้สรงรวดเร็วในการสอบสวนดมลบี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 และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้งไปอย่างฟิร์เอาและฮามานและกอรุและพวกเขาก็กล่าวว่ามูซาเป็นมายากนนักโกหกตัวชกาด ขันเมื่อมูสาได้นำสัจธรรมจากเรามาอย่างพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวว่าจงค่าลูกชายของบรรดาผู้สรธาร่วมกับเขา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 และหากว่าเขาเป็นคนพูดจริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้กับพวกเจ้าจะประสบแก่พวกเจ้าถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่ละเมิดเป็นนักโกหกตัวชะการดอกยอะขมีเคุมุลมุลคุลยายม ظاهرة นฟิลอบฟะมนยันซุนามินบสิลาฮิอิจ้าน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 ฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการลงโทษของกลุ่มชนต่งตางๆในอดีตเยี่ยงกับเคราะห์กรรมของกลุ่มชนนัวอาร์และสมุดและกับหมู่ชนหลังจากพวกเขาแล้วลอนนั้นไม่ทรงประสงค์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 แต่พวกเจ้าก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่เขาได้นำมาอย่างพวกเจ้าจนกระทั่งเมื่อเขาได้ตายไปแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าอัลลอ์จะไม่ทรงแต่งตั้งาศาสนทูตคนใดอีกแล้วหลังจากเขาเช่นนั้นแหละอัลลอ์จะทรงให้ผู้ที่ฝ่าฝืนสงสัยหลงทาง <S <S บรรดาผู้โตเถียงต่อองค์การต่างๆขออัลลอฮ์โดยไม่มีหลักฐานใดๆมายังพวกเขาเป็นที่น่าเกลียดชังยิ่งณที่อัลลอฮ์และณที่บรรดาผู้ศรัทธา เช่นนั้นแหละอลัลลอฮ์จะทรงประทับหัวใจของผู้จงหองยิ่งยะโสทุกคนและฟิรอาอกล่าวว่าโอฮามานเอ๋ยจงสร้างหอสูงให้ฉันเพื่อฉันจะได้บรรลุถึงทางที่ฉันจะขึ้นไป ถ้าที่จะขึ้นไปสู่บรรดาชั้นฟ้าเพื่อฉันจะได้เห็นพระเจ้าของมูส และแท้จริงฉันแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นคนโกหกเช่นนั้นแหละการงานที่ช่วช้าของเขาได้ถูกทำให้เพลิดเพล้วแก่ฟิรอาและเขาถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอ์และแผนการของฟิรอานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในความ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 เว้นแต่เช่นเดียวกันนั้นและผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วไซ้ชนเหล่านั้นแหละจะได้เข้าสวนสวรรค์จะรับปัจจัยอย่างชีพในนั้นโดยปราศจากการคำนวณ น, นับว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 ด, الله. الله ดังนั้นพวกเจ้าจะต้องรำลึกถึงสิ่งที่ฉันได้กล่าวแก่พวกเจ้าและฉันขอมอบภารากิจของฉันแด่เอวรอแท้จริง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 ไฟนรกนั้นจะถูกนำมาให้พวกเขาเห็นทั้งในายามเช้าและยามเย็นและในวันเกี่ย ม, มานั้นจะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิรอาวเข้าไปรับการลงโทษที่สาหัสยิ่งถือ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 ت ت พวกเขากล่าวว่าบรรดาหลอดสูญของพวกเจ้าไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งดอกหรือ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 และสำหรับพวกเขาจะได้รับการสาบแช่งและสำหรับพวกเขาจะมีที่พำนักอเลวร้ายและโดยแน่นอนเราได้ประทานทางนำแก่มูซาและเราได้คำพีเป็นมรดกแก่วงวานอิสราอลและโดยแน่นอนเราได้ประทานทางนาแก่มูซาและเราได้คำเภี์เป็นมรดกแก่วงวานอิสรอล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 สัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงและจงขอพยโทษ ต, ต่อความผิดของเจ้าและจงแท้สองสรุดีด้วยการสัรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งในยามเย็นและในยามเช้า แถ้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับบรรดาโอคงการของอัลลอฮ์โดยปราศจากหลักฐานมายังพวกเขานั้นไม่มีอะไรในสวงอกของพวกเขา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 และกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นแท้จริงอัลละฮ์เป็นเจ้าของความโปรดปรานแก่พวงมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงถูกหันเห อ, ออกจากพระองค์ล่ะเช่นนั้นแหละบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การขอเลาะจะถูกให้หันเห อ, ออกจากทางนะ อ all a l ค um ือ um ah um um um ah ผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้